Thank <laughs> you. กันสาธุชนผู้มีความสนใจในการฟังธรรมทั้งหลายบัดนี้ถึงเวลาของการฟังธรรมที่เราจะต้องเอากอความที่เข้าใจเอาไปปฏิบัติเพื่อที่จะขัดเกลาทั้งจิตทั้งกายทั้งวาจา ใช่มันกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นธรรมชาติไม่ต้องมีอะไรเหลือไว้เป็นตัวเองแล้วความทุกข์มันก็มีขึ้นมาไม่ได้เมื่อคืนสองคืนที่ผ่านมาก็ได้กล่าวในเรื่องของสติปัฏฐานสี่ข้อแรกแต่ก็ยังไม่จบ งา น, นนี้ก็ว่ากันไปเรื่อยๆตามสภาพนันมีอยู่อย่างหนึ่งกรัวว่าคนฟังจะไม่เข้าใจแต่ว่านี้ไม่ต้องเกรงใจแล้วเพราะที่พูดอยู่นี้มีคนฟังเพียงสองคนกับพระสองรูปก็ไม่มีปัญหาในเรื่องของการพูด ต้องการที่จะให้ผู้ฟังได้ประโยชน์ในการที่จะเอาไปปฏิบัติผู้ฟังนะไม่แน่นอนผู้ที่มานั่งฟังเอาแน่นอนอะไรไม่ได้วังถูกก็ฟังวังไม่ถูกก็ก็ไม่ฟังแล้วเขาก็ไม่สนใจแล้วเขาก็กลับเพราะความสนใจมันอย่างน้อย แต่ว่าอย่างไรเสียก็ต้องพูดใส่แผ่นซีดีเอาไว้ตายไปแล้ววันไหนฟังแล้วออกไปปฏิบัติรู้เอาทีหลังก็ได้ไม่เป็นปัญหาจึงขอฝากเอาไว้กับท่านผู้ปฏิบัติตั้งหลายในเรื่องของคำว่าดับวางสงบ เย็นเป็นเรื่องของจิตโดยเฉพาะจิตดับจิตว่างจิตสงบจิตเย็นจิตเย็นก็เป็นนิพพานจิตว่างก็เป็นนิพพานเหมือนกันแต่ต้องว่างให้ถึงที่สุดชื่อที่ชื่อว่าปรมานุตระสุญญาตาว่างให้จนถึงที่สุดจนไม่มีอะไรจะว่างอีกแล้ว ก็คือว่างจากตัวครูของครูทีนี้เรามาดูคำว่าพุทธโอพุทธโอพุทธโธนี่เราจะเข้าใจผิดเพราะวยากาณคำว่าพุทธโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทีนี้พอเราเออกมาแปลว่าพุโทโธออกมาเป็นตัวประธานที พุทโธอ่านว่าพระพุทธเจ้ารอที่ตรงนั้นพุทโธอ่านว่าพระพุทธเจ้าธรรมโมอ่านว่าพระธรรมสังโคอ่านว่าพระสงฆ์นั่นคือภาษาบาลีเล็งเอาตัวบุคคลนี่ถ้าพุทโธอ่านว่าเจ้าคว้าชใจสิทธัตถะผู้คืนจิต พร้อมด้วยธรรมชาติที่จิตนั้นรู้ให้เป็นธรรมชาติไปหมดไม่มีอะไรเหลือนั่นน่ยคือผู้รู้นั่นน่คือจิตพุทธโธไม่ใช่กายพุทธโธไม่ใช่เนื้อหนังพุทธโธพุทธโธทางเนื้อหนังพุทธโธคือพระพุทธเจ้ากลองเนื้อหนังใกล้ใจไปรู้ว่า เป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เป็นแต่ว่าในทางที่ถูกต้องแล้วพุทธโธคือจิตเจ้าคว้าชายสิทัตถะโอนจิตโอนร่างกายโอนเวทนาให้เป็นธรรมชาติมอบคืนให้ธรรมชาติเมื่อมอบคืนจิตนั้นให้ธรรมชาติ จิตนั้นก็เป็นผู้รู้เราแปลว่าพุทธโธผู้รู้และผู้ที่ฟังทุกคนมีจิตไหมถ้ามีจิตจิตนั้นเป็นผู้รู้ขึ้นม า, านั่นคือจิตพุทธโธแต่ถ้าจิตนั้นยังไม่รู้ก็จิตยังไม่มีพุทธโธฉะนั้นพุทธโธนี่ ร่างกายของเจ้าขวาจใจจิตทาก็ดีร่างกายของเราทุกคนก็ดีเราต้องคืนจิตให้ธรรมชาติเสียคืนจิตตัวนี้คือตัวความรู้สึกตัวนี้ให้ธรรมชาติเสียคืนจิตให้ธรรมชาติให้ธรรมชาติทีนี้มันก็เมื่อจิตดับ เมเมื่อจิตดับเมื่อจิตดับอาวิชาก็ตั้งอยู่ไม่ได้อวิชาก็ต้องดับเมื่อจิตมีเพราะเราเข้าไปยึดถือว่าจิตมีเมื่อจิตมีร่างกายมันก็เป็นของกูหมดเป็นตัวกูหมดเมื่อจิตมันมีฉะนั้นเมื่อจิตนี้ดับเพราะเรามอบจิตให้ธรรมชาติเมื่อมอบจิตให้ธรรมชาติ เสร็จแล้วจิตตัวนั้นเกิดรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดตัวรู้ขึ้นมาคือเกิดตัวพุโทโธพุธโทโธคือตัวรู้ตัวรู้ตัวนั้นยังเป็นกลางๆางอยู่พุโทโธผู้รู้เห็น ไ, ไหมพุโทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ตัวนี้ ก็คือตัวนายกอตัวนายขอตัวนายคอมันตายไปแล้วไม่ใช่ตายโดยที่ว่ามันหมดลมหายใจมันยังอยู่แต่ว่าตัวผู้นั้นถูกคืนให้ธรรมชาติก็เพราะจิตของนายกนายขอนายคอนายงอนั่นคือให้ธรรมชาติเมื่อคืนทำให้เมื่อคืนให้ธรรมชาติ จิตตัวนั้นก็เป็นจิตพุทธโธคือจิตตัวรู้เกิดจิตตัวรู้ึ้นมาจากนั้นจะเป็นเจ้ากว้าชายสิท ธ, ธัตถะหรือใครก็ตามเมื่อเกิดตัวรู้ขึ้นมาก็เรียกว่าเกิดพุทธโธขึ้นมาในจิตนั้นเราต้องมุ่งไปที่จิตเราเรียกว่าจิตดับเพราะพอคกนให้ธรรมชาติโดยจริงๆแล้ว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 เพราะจิตถูกคือน่ายธรรมชาติอจิตตัวกูนั้นก็เลยดับเมื่อจิตตัวกูดับสังขารที่เป็นกายสังขารวจีสังขารมโนุสังขารหรือว่าเป็นวิญญาณที่เคยเป็นตัวกูของกูนามรูปเนื้อหนังหรือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งหมดนั้นมันดับนี่มันดับ มันดับเป็นแถวลงไปถึงก้างล่างจนถึงทุกข์ก็เพราะจิตนั้นถูกคืนจิตนั้นรู้รู้ว่าถ้าไปเอาจิตมาเป็นตัวกูเกิดความทุกข์ไปเอาจิตมาเป็นตัวกูสังขารก็เป็นของกูหรือเป็นตัวกูอิน ญ, ญาณามรูปวิยตนาปัจจาก็เกิดเป็นตัวกูของกูไปหมดงั้นก็เลยเกิดทุกข์ นี่พุทโธ ต, ตัวเดียวแต่นั่นผู้ที่สลหรือสลัดทิ้งทั้งร่างกายสลัดทิ้งทั้งจิตให้ธรรมชาติพอสลัดทิ้งให้ธรรมชาติโดยเด็ดขาดโดยแน่นอนแล้วจิตนั้นก็เป็นจิตพุทโธพุทโธแปลว่าผู้ไม่ใช่กูไม่ใช่มึง ไม่มีประธานพุทธโธนี่ไม่มีประธานแปลว่าผู้ผู้กิริยานี่เรียกว่าเป็นกิริยาแะนั้นเขาจึงบอกว่าพระอรหันต์นั่นไม่มีตัวตนมีแต่กิริยามีแต่กิริยาก็พูดกันง่ายง่ายว่ามีแต่การกระทำหามีตัวผู้กระทาไม่มีแต่ ผู้กระทาถ้าใครยังไม่เคยอ่านเรื่องพระจักกูบาลก็ดีเรื่องของนางพิกขุนีอุบลวันนาก็ดีเรื่องของพระอาหารหันต์องค์ไหนๆก็ดีเมื่อไม่มีตัวเจตนาตัวนั้นก็ไม่มีเจตนานั่นแหละเป็นตัวเป็นตัวกระทากรรมเมื่อเกิดเจตนาขึ้นมาแล้ว การกระทากรรมทางกายก็มีการกระทาหรือการพูดทางวาจาก็มีการคิดโดยจิตก็มีด้วยใจยก็มีเมื่อมีตัวประธานแต่ถ้ามอบจิตนี้ให้ธรรมชาติโดยเด็ดขาดแล้วไม่มีตัวเจตนาตัวนั้นมีแต่พู้มีแต่พู้ เพื่อมีแต่ผู้ผู้กระทำหรือว่าผู้รู้ผู้รู้จิตจะเป็นผู้รู้จิตที่มอบให้ธรรมชาติหมดแล้วแล้วก็จิตนั้นเปลี่ยนเป็นจิตผู้รู้นั่นคือจิตพุทโธนะจิตพุทโธแต่นั้นพุทโธ ท, ที่พุทโธอ่านว่าพระพุทธเจ้าไม่ค่อยถูกต้องปฏิบัติยากอ่านว่าพระพุทธเจ้า พุทโธไม่จำกัดผู้หนึ่งผู้ใดที่ไหนแต่พระพุทธเจ้าที่เราเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธพระองค์รู้ก่อนไกลๆหมดพระองค์รู้โดยชอบรู้โดยชอบสัมมาคือรู้โดยถูกต้องแค่นั้นคำว่าพุทโธที่องค์ประเป็นองค์พระพุทธเจ้ามันจะตกไป กพระพุทธเจ้าเองพระองค์ก็ไม e ่ยอมรับพระองค์ก็ไม่ยอมรับเมื่อมีคนไปเจาะจงถามว่าท่านเป็นอะไรท่านเป็นพระพุทธเจ้าหรือว่าเราไม่ได้เป็นท่านเป็นเทพหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นพรหมหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นเกวดาหรือเราไม่ได้เป็นท่านเป็นคนทันหรือเราไม่ได้เป็นนั่นคือจิตที่ว่างจาก คำว่ามีว่าเป็นไม่เป็นอะไรแต่ว่าจิตตัวนั้นเป็นผู้รู้จิตตัวนั้นเป็นผู้รู้คือจิตพุทโธ ท, ที่อยู่ในจิตของพระองค์ทีนี้แอวพวกเราถ้าไปกราบทีหนึ่งขึ้นอรหังธรรมมาธรรมพุทโธนี่ต้องมีอรหังกํำกับเองไหมอรหังธรรมมาธรรมพุทโธอรหังแต่ว่าเว้น พระพุทธเจ้าก็คือผู้เว้นผู้เว้นเว้นทุกสิ่งทุกอย่างเว้นตัวกูของกูหมดไม่มีอะไรเหลือต้องเว้นหมดต้องเว้นหมดยันพุทธโธคือผู้รู้มันเป็นสัพสากลใครก็ได้ที่ปฏิบัติด้วยการมอบจิตให้ธรรมชาติโดยเด็ดขาด หรือเมื่อมอบจิตแล้วเพราะจิตเป็นหัวกระบวนเหมือนรถไฟเมื่อหัวกระบวนไปถูกทางก็ถูกหมดถ้าหัวกระบวนตกรลางมันก็ตกกันเป็นแถวก็เสียหายกันไปมันอยู่ที่หัวกระบวนฉะนั้นหัวกระบวนก็คือจิต ที่มอไหมธรรมชาติแล้วเป็นจิตพุทธโธของใครก็ได้จิตนั้นเป็นจิตพุทธโธอนนี้จิตพุทธโธเป็นจิตที่เต็มด้วยสติปัญญาพุทธโธแปลว่าผู้รู้อันี้จิตพุทธโธคือจิตผู้รู้จิตที่มอไห้ธรรมชาติแล้วเป็นจิตผู้รู้ เมื่อเป็นจิตผู้รู้รู้อะไรรู้อะไรเง่งถ้าเราไปดูในอ า, อาณาปานสติข้อสุดท้ายเลยข้อสุดท้ายว่าอนิจจานุปัสสีเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำวิราคานุปัสสีหรือนิพิทานุปัสสี เห็นความจางคลายอยู่เป็นประจำนิโรธานุปัสสีเห็นความดับอยู่เป็นประจำปฏินิสักานุปัสสีเห็นความสลัดคืนอยู่เป็นประจำจิตที่มอบไห้ธรรมชาติแล้วเป็นจิตตัวรู้เป็นจิตที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้น รู้นั้นก็คือรู้อะไรรู้ธรรมรู้ว่าสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจารืออนิจจังคือไม่เที่ยงสิ่งทั้งปวงอนิจจานุปัสสีเห็นสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังพอพูดว่าสิ่งทั้งปวงมันกินความอีกแล้วตาก็สิ่งทั้งปวงรู้ที่ตาเห็นก็สิ่งทั้งปวง วิญญาณทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงปัสาะคือการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือสิ่งทั้งปวงเวทนาก็คือสิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นรูปได้ยินเสียงดมกลิ่นลิ้นรดลำผัดธรรมารุ่ม ยุญญาณทั้งหกปัจจาทั้งหกเวทนาทั้งหกนั่นคือสิ่งทั้งปวงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเห็นสิ่งทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อเห็นไม่เที่ยงไปข้อที่สองเกิดความจางกลายทำไมจึงเกิดความจางกลายเพราะเมื่อก่อนเราเห็นว่าเที่ยงทุกอย่างมันเที่ยงทุกอย่างมัน ทาวรทุกอย่างมันอยู่นิ่งๆทุกอย่างมันไม่เคลื่อนไหวแต่พอมาเห็นว่ามันไม่เที่ยงแม้แต่เทวดานที่ไปเกิดบนสวรรค์ยังไม่เห็นเลยความไม่เที่ยงแต่เขาทาความดีมา ก, กเขาก็ไปเกิดเป็นเทวดาเมื่อไปเกิดเป็นเทวดาจนแรกกามีดอกไม้ นี่เป็นดอกบัวเรือร่ออะไรพุ่ขึ้นมาเทวดาเหล่านั้นก็รู้ว่านี่จะมีเทวดาเกิดใหม่ขึ้นอีอกองคหนึ่งแล้วแล้วก็เกิดเทวดาขึ้นมาเมื่อเกิดเทวดาขึ้นมาเทีย่ยงที่ไหนเทวดานั้นก็ไม่เตีย้ยงถึงเวลาดอกม้านันดอกไม้นั้นเหี่ยวเทวดาก็จิตก็เหี่ยวแห้งไปด้วย ก็ ร, รู้ว่าตัวเองนี่จะต้องลงไปจุดตีถ้าทำชั่วก็ตกนรกถ้าทำดีก็ดีไปหรือไปเกิดเมืองมนุษย์แม้แต่เทวดาเองก็ยังไม่เที่ยงแล้วเราทำบุญให้ทานทำปวนาเพื่อที่จะไปเกิดเป็นเทวดาเสียเวลาโยม ไปเป็นเทวดาอยู่อีกมันเสียเวลาเพราะในเมืองเทวดานะั้นไม่มีใครก็สอนเรื่องอนิจจังอนัตตาโสนญาตาเรื่องนิพพานไม่มีใครก็สอนแต่ในเมืองมนุษย์นี่มีหาเจอจะมีแค่นั้นเห็นอนิจจานุปัตสีเห็นวิราคานุปัสสีจิตที่ มอบคือให้ธรรมชาติแล้วทรรมจรึงมันเห็นยากทำไมจึงเห็นยากด้วยก็เพราะจิตนั้นมันเป็นกูอยู่เอาจิตมาเป็นตัวกูอยู่เอาจิตมาเป็นตัวกูเอาร่างกายมาเป็นของกูมันก็จะไม่เห็นอนิจจานุปัสสีนั่นคือเป็นธรรมเรียกว่าธรรมชาติเห็นธรรมชาติ ทีน้จิตที่มอบให้ธรรมชาติแล้วมันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติแล้วพระจิตนั้นเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติมันก็เลยเห็นธรรมชาติทั้งปวงเห็นธรรมชาติทั้งปวงวันที่บอกให้ฟังนี่ธรรมชาติทั้งปวงเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นทุกขัง ก้าไปยึดถือออกมาเป็นตัวครูของครูไม่ได้เป็นอนัตตาธรรมชาตินั้นเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาธรรมชาตินั้นว่างจากตัวตนเห็นธรรมชาติว่างจากตัวตนนี่เห็นเป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติธรรมชาติจนเห็นธรรมชาติดับว่างสงบแล้วก็เป็นนิพพานคือเย็นนั่นเห็นจนถึงที่สุด คือจิตที่เป็นธรรมชาตินั่นแหละจิตที่เป็นธรรมชาติเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราคานุปัสสีเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความจางคลายเรียกว่าวิราคานุปัสสีเห็นนิโรธานุปัสสีนี่จิตเห็นนะแต่จิตนั้นไม่ใช่จิตโง่นะคือเมื่อก่อนนะจิตโง่เพราะไปโกงจิต ที่เป็นธรรมชาติเอามาเป็นจิตกูมันก็เลยเป็นจิตโง่แต่พอมอบให้ธรรมชาติเทียจิตนั้นก็กลายเป็นจิตฉลาดเห็นอนิจจานุปัสสีเห็นวิราควะนิวราคานุปัสสีจิตฉลาดตัวนั้นแต่ก็เห็นนิโรธานุปัสสีคือเห็นเป็นปกติเห็นเป็นปกติแล้วเห็นเป็นความจริงเห็นเป็นความจริงหมด เมื่อก่อนเห็นปลอมปอมเห็นหลอกหลอกเห็นโง่โง่เราไปเอาจิตมาเป็นตัวกูจิตนั้นมันก็เลยเป็นจิตโง่แต่พอหม้อให้เจ้าของคือธรรมชาติเมื่อไรจิตนั้นกลับคืนสู่เจ้าของเดิมคือธรรมชาติเสร็จแล้วก็จะต้องปฏินิพสักกานุปัสสีสลัดคืนทั้งจิต สลัดคืนทั้งจิตนะจิตตัวรู้นั่นแหละสลัดคืนทั้งจิตสลัดคืนทั้งสิ่งที่จิตนั้นรู้ก็คืออนิจจานุปัสสีราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสคานุปัสสีสลัดคืนทั้งจิตสลัดคืนทั้งสิ่งที่จิตนั้นเข้าไปรู้นี่แหละ มันจึงเป็นธรรมชาติหมดเป็นธรรมชาติที่เกิดพุทธโธสมบูรณ์ใครที่ปฏิบัติถึงนี้พุทธโธคือตัวรู้นั่นสมบูรณ์พระพุทธเจ้าก็สมบูรณ์เป็นสัมมาสัมพุทธโธพ ร, ระปัญญาคุณสมบูรณ์ทีนี้ปัญญาตัวนั้นเป็นปัญญาที่บรีสุด ริสุเพราะเห็นจิตเป็นอนิจจังตุกขังอนัตตาจิตดับจิตว่างจิตสงบจิตเย็นแล้วก็เห็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะธรมรมารมณ์วิญญาณทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจปัสจาการกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจ เวทนาที่เป็นสุขกดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ก็ดีเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนเห็นเสร็จแล้วก็ดับจิตดับจิตว่างจิตสงบจิตเย็นเป็นนิพพานคือทั้งตัวรู้คือทั้งสิ่งที่จิตนั้นก็ไปรู้เรียกว่าทั้งผู้รู้ ตั้งสิ่งที่ถูกรู้คืนหมดถ้ารู้แล้วไม่คืนรู้นั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์ตัวพุทโธนั้นก็ยังไม่บริสุทธิ์มันต้องบริสุทธิ์ทิคุณเกิดก็เพราะว่าเกิดสติปัญญาดอกบัวบานเหมือนกับว่าดอกบัวบานเมื่อเกิดสติปัญญาขึ้นมา สติปัญญานั้นเป็นสติปัญญาที่บริสุทธิ์เราเรียกว่าบริสุทธิ์ที่คุณเกิดปัญญาที่บริสุทธิ์ขึ้นมาคือจิตบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์เสร็จแล้วอยายตนะภายในยก็บริสุทธิ์หมดอยายตนะภายนอกก็บริสุทธิ์หมดวิญญาณปัจจเวทนาก็บริสุทธิ์หมดเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์ เป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์เมื่อบริสุทธิ์แล้วเป็นยังไงก็อยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่นไม่ใช่อยากด้วยกิเลสตัณหาพะโยงฟังว่าอยากไอ้กิเลสตัณหามก็อยากแต่ว่าถ้าอยากด้วยอานาจอะไรอยากด้วยอานาจกิเลสตัณหานั่นคืออยากของคนที่ยังมีจิต แต่ถ้าอยากจะช่วยเหลือด้วยสติปัญญานั้นเรียกว่าเมตตานั้นเรียกว่าพระเมตตาคุณพระอรหันต์ก็เรียกว่าเมตตาเมตตามีความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต้องการที่จะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เพราะนั้นความต้องการสองอย่างนี้ไม่เหมือนกันต้องการด้วยอํานาจกิเลสตัณหา มันก็ทำไปพระจิตเป็นกูเพราะเอาจิตมาเป็นตัวกูมันก็เลยทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรทำด้วยอำนาจกิเลสตัณหามันผลักดันทางกายก็ดีทางวาจาก็ดีทางจิตเองก็ดีเพราะจิตนั้นยังไม่ถูกมอบคืนจิตนั้นก็ไปโกงเข้ามาโกงใครโกงธรรมชาติ เอามาเป็นตัวกูออกมาเป็นของกูเมื่อเอาจิตนั้นมาเป็นตัวกูออกมาเป็นของกูสิ่งที่ตามมาก็คือความทุกข์เมื่อทำอะไรก็ทำโดยอำนาจกิเลสตัณหาเข้าไปผลักดันจะพูดอะไรก็โดยอำนาจกิเลสตัณหาเข้าไปผลักดันยังไม่ได้เป็นทุกข์แล้วเพียงแต่คิด ก็เป็นทุกข์แล้วกำลังทำอยู่เป็นทุกข์แล้วทําเสร็จแล้วได้มาแล้วก็ามากองอยู่ข้างหน้าแล้วอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ในธนาคารแล้วเป็นทุกข์ได้มาแล้วก็เป็นทุกข์ยังไม่ได้มาก็เป็นทุกข์กำลังทำอยู่ก็เป็นทุกข์นั่นด้วยอำนาจจิตที่ไม่ได้คือในธรรมชาติ ด้วยอำนาจจิตที่เป็นกูให้เราจะเห็นว่าทางโลกเรียนจบปริญญาเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรสูงสูงถึงที่สุดมันก็ยังไม่พ้นจากความทุกข์เพราะทำอะไรด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาอยู่นั้นแหละตราบใดที่เอาจิตมาเป็นตัวกูเอาจิตมาเป็นของกู แค่ความไม่รู้จักธรรมชาตินี่เราจะเห็นว่าทําไมโลกนี้มันจึงเดือดร้อนอย่างนี้ก็เพราะจิตอูนี่แหละที่มันเดือดร้อนวัตถุดิบในโลกมีเท่าไรเท่าไหร่ไปกุดไปเอามาหมดใครเดือดร้อนที่นี้นี่เพราะจิตโง่นั่นแหละเพราะจิตโง่นั่นแหละทำไมเดือดร้อ น, นเมื่อไปเอามาไม่ว่าอยู่ใน น้ำอยู่บนดินอยู่ในภูเขาไปขุดไปเอามาหมดนั่นคือเราโกงธรรมชาติธรรมชาติเลยไม่สมดุลทนี้เมื่อเอามาประกอบเช่นว่าเอามาประกอบเป็นรถยนต์มีก็ได้ไม่มีก็ได้รถยนต์คนสมัยโบราณไม่มีรถยนต์เาก็อยู่กันสบายแต่เมื่อเรามีรถยนต์ขึ้นมาแล้ว เราจะต้องทำให้ถูกต้องเราจะต้องไม่ปรานไม่ใช่ปรานทรัพยากรธรรมชาติจนหมดจนไม่มีอะไรเหลือแล้วเมื่อมีรถยนต์แลี่มันก็ต้องมีน้ำมัน mm. ก็เลยไปขุดน้ำมันอีกขุดจนหมดจนใต้ดินจนในทะเลจนมหาสมุทรเป็นโพรงหมดแล้วอะไรมันจะเกิดขึ้นกับโลกนี้ ไม่ใช่ด้วยอำนาจกิเลสตถาที่จิตมันโง่เอออย่าคิดว่าเรียนเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต ร, ตราจานอะไรก็ตามใจถ้าเอาจิตนั้นมาเป็นตัวกูของกูมันก็ยังโง่แล้วก็ยังมีความทุกข์ยังมีความทุกข์ทุกข์เฉพาะตัวเองไม่พอทําให้เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ในโลกนี้มีความทุกข์ด้วย เขาเรียนแต่ภายนอกป ร, รู้แต่ภายนอกต้องการความสะดวกสบายต้องการที่จะป้อนสุขเวทนาให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจนั่นคือด้วยอำนาจแห่งจิตงโง่จิตหลงวพราะจิตนี่เป็นกูเป็นตัวกูเป็นของกู เมื่อจิตเป็นตัวกูเป็นของกูแล้วมันก็ไปกันเป็นแถวอาญตนะหรือว่าทีต่ตามสับตามกระบวนการของปฏิจจสมุปบาทเมื่อจิตเป็นกูสังขารคือใจก็เป็นของกูจิตสับแต่ว่ารู้นะเพียงแต่ว่ารู้พุทโธผู้รู้ แต่ถ้าไม่รู้ก็มีอวิชชาทีนี่สังขาร น, นั่นคือใจกายแสังขารวจีสังขารมโนสังขารใจคิดกายทำวาจาพูดนั่นคือสังขารทีนี้เมื่อกระบวนการจิตเป็นกูแล้วสังขารทั้งสามก็เป็นกูเป็นของกูวิญญาณตัวความรู้สึก ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจพก็เป็นกูไปหมดเลยความรู้สึกนั่นก็เป็นกูเป็นของกูไปหมดเลยนมามรูปกายกับใจก็เลยเต็มที่จนกูเป็นของกูทีนี้พอเกิดอายตนะขึ้นมาอายตนะคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เราอยากคิดว่ามันเกิดอยู่ตลอดเวลามันเกิดเมื่อมันทําหน้าที่ ตาเกิดก็คือตาทำหน้าที่ดูรูปพอตานั้นดูรูปเสร็จแล้วตานั้นก็กลับลงไปเป็นธาตุเหมือนเดิมเพราะมันเป็นธาตุมันเป็นธาตุไม่ใช่มันเป็นตาอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นในกระบวนการอริยธตนมจังหกที่ว่าตาเกิดตาดับตาเกิดตาดับนั่นคือดับตามธรรมชาติ แต่ถ้ากาว่าดับโดยที่เราเอาธรรมะเข้าไปดับดับก็คือการเข้าไม่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเพราะจิต ด, ดับก่อนเมื่อจิต ด, ดับตาก็ไม่ใช่เรามันเกิดดับตามธรรมชาติแล้วก็เข้าไปดับอีกทีหนึ่งตานี่ไม่ใช่เราเป็นธรรมชาติเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตา ว้างจากตัวตนตามันจึงจะดับถึงมันเห็นอยู่มันก็ดับมันได้ยินหูได้ยินอยู่มันก็ดับมันเกิดมันดับตามธรรมชาติเกิดดับตามธรรมชาติอย่างหนึ่งมันเกิดดับที่เราเข้าไปรู้ไปเห็นมันแห้เราอาสติปัญญานี้ไปดับว่ามันไม่ใช่ตัวกูมันไม่ใช่ของกูไม่ใช่ตากูไม่ใช่กูเห็น อยูกูได้ยินมันไม่ใช่ตากูมันไม่ใช่หูกูเป็นธรรมชาติที่มันเกิดดับมันเองตามธรรมชาติเมื่ อ, อไรที่เราก็าไปยึดถือว่าตาเป็นกูเข้าไปยึดถือว่าหูเป็นกูจมูกลิ้นกายใจเป็นกูเกิดแล้วนะไนคือมันเกิดมันเกิดแล้วมันดับแล้วความทุกข์นั่นก็ยังค้างอยู่ยังค้างอยู่นี่ทีนี้ตามปกติมันดับ แล้วมันไปเป็นตัวเดิมคือมันไปเป็นาธาตุมันไปเป็นาธาตุเดิมนั่นแหละเป็นาธาตุเดิมนี่ถ้าเป็นาธาตุเดิมาธาตุดับาธาตว่างาธาตสงบาธาตเย็นตาก็เป็นอนิจจังอนัตตาเป็นพอเป็นอนัตตาแล้วก็เราก็เลยเอาจิตที่เป็นพุทธโธนั่นแหละ ตาเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตนั้น อ, อตานั้นดับดับแล้วก็ตานั้นว่างเป็นธรรมชาติตานั้นสงบตานั้นเย็นเพราะไม่เข้าไปยึดถือ ม, มันจะดับจะว่างมันสงบจะเย็นดับว่างจะสงบเย็นเพราะ จิตตัวรู้ตัวพุทธโธนั่นแหละเห็นว่าตาก็เป็นนันทิจังเป็นนันตาไม่กล้าไปยึดถือตานั้นก็ดับทันทีไม่ใช่รอให้มันดับเองมันดับเองมันมันเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่นี้เรากล้าไปดับด้วยสติปัญญาคือพุทธโธตัวรู้ตัวนั้นกะนั้นตาดับเมื่อตาดับตานั้นเห็นว่าตาเป็นนันทิจังเป็นนันตา แต่ตานั้นก็เป็นสุญญตาว่างว่างจากตัวตน but, ตานั้นว่างจากตัวตนไม่ถูกยึดถือตานั้นก็สงบทีนี้ตาหนนมันก็เย็นนั่นเย็นที่ตาแต่เย็นที่ตาหนก็เย็นมาจากนู่นเย็นมาจากจิตเย็นมาจากจิตนี่ในเรื่องของทางหูเรื่องของทางจมูกลิ้นกายใจ มันกปอยู่ในทำนองเดียวกันทั้งหมดนั่นแหละฉะนั้นไอ้วงจรที่ว่าดับว่างสงบเย็นมันต้องตัวต้นดับก่อนก็คือจิตดับจิตดับก็เพราะคืนจิตนั้นให้ธรรมชาติคือให้ธรรมชาติและจิตนั้นก็ว่างว่างจากตัวกูก็เพราะเห็นจิตที่จิตได้ดับเพราะเห็นจิต เห็นจิตว่าจิตนี้เป็นอนิจจังผ่านไม่ได้นะตัวนี้ผ่านไม่ได้นะเราจะคืนจิตให้ธรรมชาตินี่ต้องผ่านต้องผ่านว่าจิตเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นจิตว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาก่อนเพอเห็นจิตว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เป็นอัตตาคือไม่มีตัวตน แ้่จิตนั้นเป็นยังไงจิตนั้นก็ดับทีนี้ถ้าเห็นอย่างนั้นถ้าปัญญาเห็นอย่างนั้นจิตนั้นก็ดับเพราะจิตดับจิตว่างทีนี้ว่างจากตัวกูของกูพอว่างจากตัวกูของกูแล้วมันก็สงบมันสงบตามธรรมชาติของมันแล้วมันก็เย็นสงบแล้วก็เย็นนี่จิตก่อนต้องมาที่จิตก่อนถ้าเรายังทาไม่ถึงจิต มองไม่เห็นปัญญายัางไม่พอแต่เต้าไปจากตาหูนี่แหละก็ได้เหมือนกันแต่เต้าจากตาหูไปให้จนไปถึงจิตถ้าจิตดับแล้วอวิชฌำจะอยู่กับใครอ่ะอวิชฌำคือตัวงโง่นั้นก็อยู่ไม่ได้เห้ตาดับถึงที่สุดตาจิตนั้นดับถึงที่สุดดับทั้งตัวจิตเองดับ ทั้งสิ่งที่จิตเข้าไปรู้เพราะว่าหมวดจิตในอนาปานาจติหมวดจิตต้องปล่อยจิตปล่อยจิตให้ธรรมชาติในที่ตรงนั้นนี่ถ้าหากว่าในจติปฐานสี่มีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัว ต, วตนเราเขาแค่นั้นไม่พอต้องว่า เห็นจิตว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลตัวตนเราเก่าจิตนั้นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาจิตดับพอเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็จะเป็นสุญญตาทีนี้จิตว่างจิตว่างพอเป็นสุญญตาแล้วต่อไปจิตนั้นก็สันติจิตนั้นก็นิพพานเมันอยู่ที่จิตนิพพานมันก็อยู่ที่จิตนั่นแหละมันไม่ได้อยู่ที่ไหน แต่ว่าในที่เกี่ยวเนื่องกันอยู่ก็คืออยายตนะภายในอยนายตนะภายนอกปัจจะเวทนามันเกี่ยวเนื่องกันหมดเกี่ยวเนื่องทั้งทา ง, งสังขารด้วยวิญญาณด้วยนามรูปด้วยมันก็เป็นเปราะๆเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันหมดฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทนอกจากจำแล้วจะต้องช่ำชอง ชำชองในเรื่องของความเข้าใจเมื่อเข้าใจแล้วต้องปฏิบัตใิให้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปให้ลึกเข้าไปลึกเข้าไปลึกเข้าไปแล้วมันก็จะเห็นแจง้งเห็นแจง้งทุกแง่ทุกมุมในปฏิจจังบาท•ติเวจิตรองตอนเหล่านั้นต้องจำให้ได้นี่พุทธบริษัทคนไหนถ้าไม่จำ ก็อย่ามาโทษว่าอาตมาพูดลึกเพราะาตัวเองไม่จําเมื่อไม่จําแล้วจะไปรู้จับจิตได้อย่างไรต้องจํานี่สูตรนี้สูตรของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ของอาตมาสูตรของพระพุทธเจ้าฉะนั้นในเรื่องของการดับดับท่าดับอายตนะดับขันห้าแล้วก็ดับจิต ที่เป็นตัวกูของกูนั่นคือปฏิจจสมุกบาทดับธาตุดับธาตุดั บ, ดบอย่างบ้านนอกเมืองของอัตมานี่คือพัทลุงนี่หรือแถวสงกลาแถวนี้แหะพอจบเสร็จทำยังไงทีนี้ดับธาตก็เรียกว่าดับธาต รอบไฟมันยังอุ่นๆอยู่มันยังร้อนๆอยู่บางทีก็แานไฟยังลุกแดงๆอยู่แต่ว่าก็จะเก็บกระดูกแล้วแต่มันยังไงทีนี้ต้องดับธาตุดับธาตอะไรดับธาต์ไฟไม่อย่างนั้นเก็บกระดูกไม่ได้ก็เรียกว่าดับธาตุดับธาตเสร็จแล้วโอให้สัเปลือ ทำเป็นรูปคนหันหัวไปทางทิศตะวันตกทําไมต้องหันไปทางทิศตะวันตกพระพุทธเจ้าอยู่ทางนู้นอยู่ทางทิศตะวันตกที่นี่ก็เก็บก็เรียกว่าเก็บอัติธาต์ก็คือมันเป็นธาตุนั่นแหละทั้งหมดมันเป็นธาต<า>ุ เ, เมื่อก่อนมันสมบูรณ์เป็นรูปเป็นร่างเป็นหน้าเป็นตาเป็นคนเป็นสัตว์ พอเสร็จแล้วธาตุนั้นก็กลับจู่ที่เดิมธาตุดินก็ไปจู่ดินธาตุน้ําก็ไปสู่น้ำํำธาตุลมก็ไปสู่ลมธาตุไฟก็ไปจู่ไฟแต่ว่ามันมีข้อที่ว่าเราจะต้องดับเที่ยง่อนไม่ใช่ให้ก็ไปดับธาตุเวลาตายแล้วดับเที่ยง่อนตอนเป็นปะตอนที่เป็นเป็นอยู่คนฉลาดต้องดับก่อนดับธาตุ ดับธาตุอะไรดินน้ำลงฟอยที่นั่งนั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ที่เดินที่ทำอะไรกันอยู่นั่นแหละที่ขวักไขว่กันไปหมดดับธาตุดับธาตุว่านี่ทั้งหมดนี้ดินน้ำลงฟอยนี่ม่ใช่กูแต่ว่าต้องดับธาตุจิตก่อนถ้าจิตนั้นยังเห็นว่านี่ร่างกายของกูนี่ผมขนเล็บฟันหนังเป็นกูเป็นของกูมันไม่ดับ ธาตุนั้นมันไม่ดับทีนี้ถ้าเราดับีะก่อนว่าธาต ด, ดินน้ําลงฟอยลงฟอยที่อยู่ที่ร่างกายนี้เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเห็นว่ามันไหลเรื่อยเห็นว่ามันไม่ใช่ตัวตนมันก็ดับทีมันก็ดับพอดับแล้วมันก็ว่างจากตัวกูสุญญตาธาตุมันก็เกิด เกิดสุยญาต า, าธาตุขึ้นมาคือาธาตุว่างว่างจากจิตกู้เมื่อจิตกูว่างร่างกายมันก็ว่างมันก็ว่างหมด mm. ดับเช่นก่อนอย่ารอให้ก็ดับเวลาตายแล้วเอาน้าไปดับมันไม่มีประโยชน์อะไรดอกดับอย่างนั้นเพียงแต่ว่าสอนว่ามันก็ดี บางคนอาจจะเกิดธรรมะในกาะนานั้นก็ได้แต่่วนมากมันไม่ก่อยเกิดหรอกวราไม่ได้ปฏิบัติหมออานะหมอหมอที่อยู่ผาแนกผ่าตัดเห็นภายในทรวงอกเห็นกี้เห็นไส้เห็นอะไรอยู่ทุกวันหมอนั้นก็ยังปรุงไม่ได้เพราะหมอไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าหมอปฏิบัติยังไม่นานหมอนั่นก็จะเห็น เห็นอนิจจังอนัตตาที่ตัวเองให้กดธาตุนั้นมันก็ดับถึงสุญญตาธาตุมันก็จะเกิดถ้าเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาแล้วก็เห็นจิตเห็นก่อนอื่นก็คือต้องเห็นจิตเห็นจิตตัวเองนั่นแหละให้จิตเห็นจิตให้จิตฉลาดเห็นจิตโง่ให้จิตนั่นแหละเห็นจิต ให้จิตฉลาดจิตที่เราอบรมมาด้วยการอ่านหนังสือก็ดีด้วยการปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ดีเกิดสติปัญญาขึ้นมาที่จิตเกิดสติปัญญาขึ้นมาแล้วจิตนั้นแหละมันไปสอนจิตและจิตนั้นเนี่ยเมื่อมันสอนถึงที่สุดแล้วจิตนั้นเนี่ยจะมันจะเข้าไปดับจิตเข้าไปดับจิตเข้าไปดับจิตโง่ถ้าดับจิตโง่นั้น หมดไม่มีอะไรเหลือนั่นคืออวิชชาดับเพราะว่าคือใน้ธรรมชาติหมดคืนจิตให้เป็นธรรมชาติหมดจิตโง่จิตที่เป็นตัวกูนั่นมันก็ดับนั่นคือดับพอดับมันก็ว่างไม่ใช่ว่างไม่มีอะไรนั้นว่างกนโง่ไม่มีอะไรดับ ก, ก็ว่างว่างจากอะไรว่างจากตัวกูของกู จิตนั้นดับแล้วดับแล้วมันไปไหนมันเป็นธรรมชาติมันดับไปเป็นธรรมชาติก็เรามอไม้ธรรมชาติมันเป็นของธรรมชาตินั่นงั้นเราต้องดับมันเสียก่อนดับแล้วก็ว่างมันเสียก่อนว่างจากตัวกูว่างจากของกู <Okay. S 1> ก็ทาอะไรก็ทำไปดีทีนี้จะคิดอะไรก็คิดไปดแต่เมื่อจิตมันว่างแล้ว คิดก็คิดด้วยสติปัญญาทำก็ทำด้วยสติปัญญาพูดก็พูดด้วยอำนาจของสติปัญญามันผลักดันไปนั่นแหละคือพุทโธพุทโธโรเกอุปโนเมื่อคืนก่อนโน้นก็พูดแล้วพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้มนโลกไหนมันโลกที่ร่างกายเนี่ยที่ประกอบด้วยกายและจิตที่ยาววานาคืบนี้แหละ พุทโธโลเกอุปโนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้เราคนหนึ่งกับโลกหนึ่งเราคนหนึ่งกับโลกหนึ่งเมื่อจิตมันดับโลกนี้ก็สงบเย็นสบายสบายจายกนั้นเมื่อเราดับธาตุจะก่อนก่อนที่เราจะตายเราดับเจะก่อนดับธาตุดับธาต์แ้วก็ยังไม่พอดับอายตนะดับอายตนะอีก ดับอายตนะคือดับตาหูจมูกลิ้นกายใจตาดับหูดับจมูกดับลิ้นดับกายดับใจดับคือในธรรมชาติดับอายตนะเมืดับอายตนะเสร็จแล้วไอ้รูปเสียงกลิ่นรสผลพภะธรรมารมณ์แต่เราเข้าไปยึดถือนั่นแหละคือขันธ์ห้าแล้วรูปก็ขันธ์ห้าเสียงก็ขันธ์ห้า กลิ่นรสพุทธะพระธรรมารมณ์ก็ขันห้าดับาธาตุดับายตนะดับขันห้าดับขันห้าดับขันห้าก็คือดับรูปดับเสียงดับกลิ่นรสพุทธะพระธรมรมารมณ์ที่เป็นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าจึงตรัสตรโศนโดยทั่วไปและก็มากที่สุดเลยในพระไตรปิฎก ถ้าใครอ่านพระไตรปิฎกเราก็จะรู้เห็นรูปังอนัตตาหรือว่ารูปังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานิจจังเวทนานัตตาพระองค์สอนแต่อริจจังอนัตตานิจจังอนัตตานิจจานัตตานขันธ์หน้าทั้งนั้นขันห้าก็อยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะธมารมณ์นั่นแหละนั่นแหละคือขันธ์ห้าที่เรากล้าไปยึดถือ ที่เราเข้าไปยึดก็เพราะจิตโง่ตัวนั้นแหลเข้าไปยึดถือเข้าไปยึดถือในรูปเข้าไปยึดถือในความพอใจความไม่พอใจเวทนานั่นด้าโดยส่วนมากอะแม่เวทนาก็ยังไม่รู้จักกันสุขเวทนามันดึงเข้ามาหาตัวก็เกิดจุขเวทนาขึ้นมาทุกเวทนามันพลักอดทุกมาจุกเวทนามันโง่มันไม่รู้ มันไม่รู้มันทื่อๆ อ, อย่างนั้นให้เรารู้ว่าเวทนาทั้งสามนะั่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเวทนามันก็เกิดดับเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเอาอนิจจังอนัตตานะ่ะไปเคหัวมันมันอยู่ไม่ได้ก็เลยเห็นว่าไอ้เวทนาทั้งสามนี่มันเหมือนกันมันเหมือนกัน เหมือนกันโดยที่ว่ามันหลอกว่าอันนี้สุขอันนี้ทุกข์อันนี้ไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์แต่แล้วนั่นก็เป็นอันนีจังเป็นอนัตตาเหมือนกันหมดถ้าเราเห็นตัวจริงมั น, น, นว่าอ้อสุขเวทนาก็ดีทุกเวทนาก็ดีทุกขรามสุขเวทนาก็ดีเป็นอันนี้จังเป็นอนัตตากูไม่ขา้าไปยึดถือมึงแล้วกูเ น, นี่ยมันยากหยาบ อ, อย่างี้กูไม่ไปเป็นทาสมึงแล้ว ก็เห็นไหมทั้งโลกนี่ไปเป็นธาตุสุกเวทนาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในพุทธะพระในธรรมารมกูไม่เป็นธาตุมึงอีกแล้วตั้งแต่บัด น, นี้เป็นต้นไปถ้ามันจะอยู่ได้อย่างนี้ถ้าเรารู้จักมั น, เ ป, น, นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาต้องรู้จักมันที่ได้ข้าวไปยึดถือนะ่ะ พอไม่รู้จักมันพอไม่รู้จักมันมันก็มาในหน้าตาของรูปในหน้าตาของเสียงหน้าตาของกลิ่นของรสของสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมากับใจ น, นั่นคือเวทนาทั้งสาวทนาโร อ, อนิจจังอนันตตา ก้าไปตีหัวมันเลยมันจะได้รู้สึกไม่อย่างนั้นมันไม่รู้สึกแล้วเลยเป็นทาตกันจนตา ย, ย่านี้เกิดมาชาติหนึ่งเสียชาติเกิดว่าเป็นทาตเวทนาอยู่อย่างนั้นพยายามหาหาหาหากันจนตายก็ไม่พอเพราะอะไร ก็เพราะเป็นาธาตุเวทนาเป็นาธาตุราเวทนานาัหาเท่าไหรก็ไม่พอทักทีไม่รู้จักเวทน า, าหายตัวเองอาหายคนอื่นาหายพวกพ้องอาหายครอบครัวหากันจนตายจนตายแล้วไปดับาธาติกันไปดับทําไมดับอย่างนั้นมันไม่มีประโยชน์มันต้องดับต้องดับตอนที่เป็นๆอยู่นี่แหละ ดับที่จิตดับที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจดับที่รูปเสียงกลิ่นรสสิ่งที่มาสัมผัสกายแล้วดับอารมณ์ที่เกิดขึ้นกับใจมันต้องดับดับดับเพราะดับแล้วมันก็ว่างมันไม่ดับมันก็ไม่ว่างแล้วเกิดก็ไม่รู้จักดับก็ไม่รู้จักมันเกิดดับตามธรรมชาติก็ไม่รู้จักดับโดยการไปกูมันก็ไม่รู้จัก อะไรไปคูน่นะในเมื่อจำมัก็ไม่เคยฟังฟังพระน่อยเหงาวง่วงนอนกวางไม่รู้เรื่องปล่อยมันงโง่อย่างนั้นจ้าหัวไม่รู้จะช่วยยังไงคนประเภทนั้นอ่านหนังสืออ่านหนังสือธรรมะก็ไม่รู้เรื่องกเพราะราไม่รู้จักตาหูจมูกลิ้นกาใจนี อยู่ตรงนี้แล้วก็ยังไม่รู้เรื่องมีเจ็พระบอกถขาก็เอเหมือนกับี่เขียนคอไก่สมัยก่อนนะจับมือเด้กเขียนกอไก่ไกไกไกแต่นี้ไม่ใช่จับมือเขียนคอไก่ถามว่ารู้จักตาไหมรู้จักรู้จักการทาหน้าที่ของตาไหมไม่รู้จักพูดเรื่องอายตานะภายในยรู้ไหมไม่รู้จับ นะิ้วชี้นะมัิมตาเลยจะได้รู้จะทิมทิมตาทิมหูทิมจมูกทิมลิ้นกไ็ไปจะได้รู้จักอายตนะภายในกันเสียทีนี่ไม่โลบคราบเลยเนยะจะไปเอาพระนิพพานพระนิพพานมันต้องดับจิตดับตาดับอายตนะดับขันดับขันนะดับรูปเวทนาสัญญาจังขานวิญญาณ มันจึงจะว่างว่างจากตัวกูของกู่แล้วมันจึงจะสงบมันจึงจะยินนี่ไปเชื่ออะไรก็ไม่รู้ไปเชื่อถ้าอะไรเรื่องดับธาตุนี่ก็ดับอะไรกันก็ไม่รู้ไอ้ธาตุที่อยู่ที่ตัวเองยังไม่รู้จักไปดับธาตุอะไรกันดับธาตุดับวิบยญาณะดับขันห้า ดับแล้เป็นอะไรก็เป็นธรรมชาติดับให้มันเป็นธรรมชาติแค่ที่สําคัญคือต้องดับจิตดับจิตดับจิตก็คือต้องรู้ปฏิจจสมุปบาทนั่นแหละวงจรของปฏิจจสมุปบาททั้งหมดเป็นเรื่องวงจรของจิตโดยเฉพาะดับไปทีละตัวทีละตัวทีละตัว ท, ลวทีละตัวดับที่จิตก่อนอย่าเอาจิตมาเป็นตัวกูจะเอาจิตมาเป็นตัวของกู ดับที่จิตก่อนก็ดับจิตแล้วก็ดับสังขารดับสังขารแล้วก็ดับวิญญาณต้องรู้ชาวพุทธจะต้องรู้นี่เราไม่ค่อยศึกษากันเรื่องดับจะไปเป็นพระอระหันโน้นจะไปเป็นธรรมย์ถ้ายังไม่รู้จักเลยอริยสตรหน้าก็ไม่รู้จักขนันห้าก็ไม่รู้จักปฏิตรองบาทก็ไม่จาไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องโอ้ปวดหัว คนประเภทนี้ไม่สนใจแต่ถ้าสนใจมันไม่เกินความสามารถหรอกไม่ว่าใครล่ะถึงจะเป็นลูกชาวราชาวนานหรือว่าจะไม่ได้จบปริญญาหรือว่าอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่เป็นก็ทำได้ปฏิบัติได้ไม่ใช่คนร่ำรวยเท่านั้นที่จะปฏิบัติทำือคนที่จะต้องจบปริญญาก่อน การมาเรียนธรรมะมันไม่ทันใน่ใต้อย่างนั้นไม่ต้องไปพร้อมๆกันไม่อย่างนั้นมันนาแต่ความทุกข์มาใหโอกาสสติปัญญาตัวจริงที่เอามันดับฉะนั้นคําว่าดับคำว่าว่างรู้ตัวว่างตัวเดียวก็พอแล้วให้มันว่างแต่ว่าต้องขึ้น ว่าอันนีจังอันั้ตาสุญญตาว่างจากปัวตนอันนีจังอันั้ตาสุญญตาว่างจากปวัวตนแลดงมันค่อยๆว่างไปมันไม่ใช่ว่างทีเดียววูบแล้วจบไม่ใช่ค่อยว่างไ ป, ไ ป, ๆๆไปว่างไป ว, ว่างไปธาตุว่างศกแต่วัตรธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างเคยบอกไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเลยบอกว่าเจ่นกินอาหารหรือใส่เสื้อผ้า หรืออะไรก็ทำให้ท่องคําว่าสักแต่ว่าธาตว่างเพื่อที่จะให้เข้าใจธาตว่างธาตว่างธาตว่างธาตว่างกินอาหานบวสักแต่ว่าธาตว่างธาตว่างธาตว่างไม่ใช่ว่างไม่มีว่างเพราะธาตเหล่านั้นเสื้อผ้าก็ดีอาหารการกินก็ดีคนกินก็ดีคนญวมคนใส่ก็ดีเป็นสักแต่ว่าธาต ที่เป็นอนิจจังอนัตตานี่ผ่านไม่ได้จะขึ้นต้นไมท้ทีเดียวเาะขึ้นไปอยู่ปลายยอดมันทำไม่ได้มันต้องขึ้นไปจากโคนคืออนิจจังก่อนอนิจจังแล้ก็ทุกขังถ้าว่ากันโดยละเอียดข้าไปยึดมั่นไปมั่นมันไม่ได้เนี่ยก็อ น, อนัตตาไม่ใช่ตัวตน จนถึงคําว่าจุญญตาว่างจากตัวตนแต่ถ้าเราเอาจุญญตาไปคู่กับจิตภาวนาว่าจิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างจิตว่างหรือว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างจิตก็คือธาตุอย่างหนึ่งนั่นแหละศากดิแต่ว่าธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างไว้เฝ้าคอยอยู่ตรงนั้นเอ๊ะมันว่างก็อะไร เรียกว่างสักแต่ว่าธาว่างนี่อะไรแต่ว่าจิตว่างนี่อะไรอ๋อเพราะเพราะมันเกิดดับเพราะมันเป็นอนิจจามันเป็นอนัตตามันจึงเป็นสุญญตามันจึงว่างนี่ต่อไปก็ยิงว่างว่างว่างว่างว่างเรก็ว่างหมดพอว่างหมดนั่นแหละได้ที่แล้วเข้าจุกแล้วเข้าจุกแล้วนั่นนี่คือว่าปรมาจารย์สุญญตา นั่นเนี่ยคือนิพพานว่างถึงที่สุดว่างถึงที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ยังอยู่กับจิตว่างดุงจิตาวิหารพระองค์อยู่กับจิตว่างคือจิตว่างถึงที่สุดของพระองค์จิตดับจิตว่างจิตสงบเย็นแล้วก็อยู่กับจิตว่างอยู่กับจิตว่างอย่างนั้นในเรานี่อยู่กับจิตที่ตัวกู้ตัวกู้ตัวกู้อยู่เรื่อยเห็นไหมผิดกับพระพุทธเจ้า ปิดกับพระอรหันต์ทั้งหลายปิดกับพระโสดาบันสกิทากามีอนาคามีอะไรก็กูของกูกูของกูอยู่มันก็เลยเป็นกูหมดธาตในกายนี่ก็เป็นกูของกูหมดอยายตนะตาหูก็กูของกูหมดกันห้ารูปิธนาสัญญาสังขานวิญญาณก็กูของกูหมดเพราะวไปเอาจิตมาเป็นกู มันก็เลเป็นกูเป็นของกูไปหมดสมนำหน้ามันที่มันมีความทุกมันอยากโง่ไม่รู้จักเข้าวัดเข้าว่าไม่รู้จักความเตศความทมไม่รู้จักปฏิบัติสมนำหน้ามันคนประเภทนี้มันต้องอย่างนั้นแล้วไม่สมนำหน้าเฉพาะแต่เขาเราก็เหมือนกันถ้ามันโง่ก็สมนำหน้ามันที่มันโง่สมนำหน้าที่มันโง่ฉะนั้นอย่าโง่กัน ทังโยมทังอรหันต์มานี่แหละเราอย่างโง่กันโง่ขึ้นมาทีหนึ่งก็ต้องเข็มมันทีหนึ่งว่าจมหน้ามันที่มันได้โง่ต้องอย่างนั้นมันจริงจะได้เมื่ออย่างนั้นมันไม่ได้หรอกธรรมะน่นต้องจริงต้องปฏิบัติให้จริงจังต้องอ่านกันจริงต้องก้นควายจริงแต่ไม่ใช่จริงนะไม่ทํางานนะ ทำงานอยู่ทำงานไปพรางปฏิบัติทำไปพรางโอ้มันโกรธขึ้นมาก็รู้ได้ว่าเอา้าอันนี้มันไม่ดีแล้วมันใช่ไม่ได้แล้วมันไปเอาจิตมาเป็นกูแล้วมันโกรธแล้วลูกน้องทําไม่ดีก็ไปโกรธสติมาไม่ทันมันมาไม่ทันเห็นไหมนม้นเป็นโลคไปโง่ไปหลงนะ่ะมาไม่ทันถ้าเราไม่ฝึกไม่ฝึกสติไม่ฝึกปัญญา ก็เลยตกนรกบ่อยๆอย่างนี้นตกนรกบ่อยอย่างนั้นร้อนใจทีหนึ่งก็ตกนรกทีหนึ่งให้เห็นมองให้มันเห็นเนี่ยมันชัดเจนอย่างนั้นมันจะได้เข็ดได้หลบับให้ยังงั้นมันไม่เข็ดไม่หลบับดนั้นจิตนี้หละพยายามที่จะปล่อยปล่อยจิตหรือว่าพยายามที่จะศึกษาเรื่องจิตโดยเฉพาะ ก็ดูเดียวในสมัยโบราณสมัยพระพุทธเจ้านั่งฟังธรรมบรรลุเลยก็ดูที่ไหนเขาก็ดูที่จิตเขานั่นแหละก็ดูที่จิตหูก็ฟังไปแล้วก็ดูฟ้าดูที่จิตตัวเองแล้วก็ที่ฟังนั้นผู้ที่จะให้คำพูดมาเขาให้มาจากจิตเขา ไม่ใช่ขอให้มันจากว่าอัต ม, มาไปอ่านนะพระใจไิดกมนโยมนะอย่าเลยถ้าอย่างนั้นอย่างนั้นมันข้าวเปลือกมีแต่เปลือกมใช่ไม่ได้ต้องออกมาจากจิตโดยเฉพาะแล้วเราก็ต้องฟังด้วยจิตเมื่อจิตต่อจิตกระแสมันถึงกันก็ทำให้ธรรมะเกิดขึ้นมา นั่นคือกระแสะธรรมกระแสะธรรมมันก็เกิดผู้ที่ฟังแล้วถึงความเป็นพระโสดาบันเพราะกระแสะจิตนั้นแหละมันเข้าไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งของผู้ฟังทั้งของผู้พูดหรือว่าไม่ได้เกิดในเวลาฟังธรรมเกิดเวลาเดินเล่นก็ได้อะไรก็ได้คิดกลุ่มอยู่ในใจ อดน่องไปเรื่อยๆวกขึ้นมาหรือว่ากี่จักรยานไปอะไรไปแต่ว่าการบ้านอยู่ในจิตแล้วการบ้านอยู่ในจิตแล้วมันกลุ้นๆกลุๆุๆพอได้เวลาปึ๊บออกมาทันทีนั่นแหละคือมันกลองกลืนกับธรรมชาติแล้วให้พอข้าวทางก่อนให้ก็ไปถูกข้าวทาง แต่ข้าทางแล้วก็อย่าช้าเราอย่าช้าข้าทางแล้วก็พยายามรุ่นทีนี้พยายามหาคูบาอาจารย์ฟังธรรมะอะไรให้มันมากมากอา่านหนังสือธรรมะเพิ่มปูนมันเมื่อรู้แล้วก็เพิ่มปูนมั น, ม น, มนใส่ปุ๋ยปลนดินมันอะไรกันดูแลดูแลมันดูแลจิตตัวนี้ที่มันข้าทางแล้วการปฏิบัติไม่ต้องไปอยากมันถ้าอยากก็พ้นอีกแล้ว เลยเถิดไปอีกไม่ต้องอยากปฏิบัติด้วยสติปัญญาใช้สติปัญญานาทุกอย่างต้องใช้สติปัญญานำอย่าใช้โง่นำโง่นำไม่ได้ที่พูดวันนี้เนื้อเนื้อจางนั้นเลยไม่มีน้าวันนี้ไม่อยากอายน้ำอายนื้อเนื้อก็พอกินสักคำมันอิ่มรู้สึกว่ามันเข้าไปในจิตในใจดี นักญาติโยมที่ฟังในวันนี้ก็ต้องตั้งอกตั้งใจในการที่จะต้องออกไปปฏิบัติเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนั่นแหละถ้าเราจมาตายวันไหนช่างหัวมันไม่เป็นไรถึงเวลาตายก็มันตายไปแต่ว่าจะฝากธรรมะอันนี้ให้โลกนี้ก็ได้รู้ไอ้ญาติโยมก็ออกไปปฏิบัติแล้วก็เกิดเป็นดอกบัว ที่บานขึ้นมาในดวงจิตของญาติโยมเวลาของกันบรรยายก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาเลอะก็ยุติการบรรยายในวันนี้เอาไว้แต่เพียงเท่านี้เกาั สรณะกัจจังสัง